ทิกระณะว่าด้วยอธิกรณ์สี่อย่างเรื่องภิกษุและพิษุนีวิวาสกันสมัยนั้นพวกพิกษุวิวาสกับพวกพิษุนีบ้างผู้พิษุนีวิวาสกับพวกพิกษุบ้างฝ่ายพระชนนะเข้าข้างพวกพิษุณีแล้ววิวาสกับพวกภิกษุชักชวนพวกพิกษุให้ไปเข้าข้างพิษุนีบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพาพันตํานิประนามโพลธนาว่า เจะไหนพระช น, นะจึงได้เข้าข้างพวกภิกษุณีแล้ววิวาดกับพวกภิกษุชักชวนพวกภิกษุให้ไปเข้าข้างภิกษุณีเล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไ ป, รปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุชนนะเข้าข้างพวกภิกษุณีแล้ววิวาดกับพวกภิกษุชักชวนพวกภิกษุให้ไปเข้าข้างพวกภิกษุณีจริงหรือ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 วิวาาธิกรในอธิกรสี่อย่างนั้นวิวาาธิกรเป็นฉไหนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาทกันว่าหนึ่งนินนธรรมนี้อธรรมสองนิวิไนน้ไม่ใช่วิไนาสามนิตถาคตพาสิทธไว้ตรัสไว้นี้ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไวสี่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 ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทความกล่าวต่างกันความกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลักรุ่มใจการด่าทอในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าวิวาธาธิกร 2. ออนุวาธาธิกรในอธิกรนสี่อย่างนั้นอนุวาธาธิกรเป็นไนภิกสุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทย์ภิกษุด้วยศิลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติการโจ์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประทวงความเป็นผู้คล้อยตามการทำความอุสาหาโจ์การตามเพิ่มกําลังให้ในเรื่องนั้นอันใดนี้เรียกว่าอนุวาทาธิกร 3. อาปัตตาธิกร ในอธิกรณสี่อย่างนั้นอาปัตตาธิกรเป็นไนอาปัตทั้งห้ากองชื่ออาปัตตาธิกรอาปัตทั้ง7กองชื่ออาปัตตาธิกรนี้เรียกว่าอาปัตตาทิกร 4. กิจจาธิกรในอธิกร4สี่อย่างนั้นกิจจาธิกรเป็นอย่างไรความเป็นหน้าที่ความเป็นกรณีแห่งสงใดคือหนึ่งอัปโลกนกกรรม สยัตติกรรม 3. ยัยติทุติยกรรมสยัยติจตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจจาธิกรอธิกรสี่อย่างจบมูลแห่งวิวาทาธิกร อะไรเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรมูลเหตุแห่งวิวาทหเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรอกุโสรมูลทั้งสมเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรอาคุศลมูลทั้งสาเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรวิวาทมูลหมูลเหตุแห่งวิวาทหเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวิในนี้หนึ่ง เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำศึกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา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 ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายเพิ่พยายามเพื่อละมูลแห่งวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นโมลแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายเพิ่ปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแล กาละโมเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้แห่งมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่านและถึงสเป็นผู้มีปกติริษยาตรณี 4. เป็นผู้อวดดีเจ้ามายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ 6.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 และไม่ทำศึกษาให้บริบูรณ์ภิษุทั้งหลายพิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์และไม่ทำศึกษาให้บริบูรณ์นั้นย่อมก่อการวิวาสให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เครื่องคลกับคนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขกับคนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์กับคนหมู่มาก เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลาย เพ่อปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งหมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั่นแหลการละมูลแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั่นแ ล, มม ล, แนนนแลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งหมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้มูลแห่งการวิวาทหกอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรอคุโสลมูลสาม อกุโสโลมูลสามเป็นมูลแห่งวิว า, าทาธิกอร์เป็นไฉนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตโลภวิวาทกันมีจิตโกรธวิวาทกันมีจิตหลงวิวาทกันว่าหนึ่งนิธรรมนีิอธรรมสองนิวิไนนิมิใช่วิไ น, นัยมนิตถาคดพาสิทธไว้ตรัดไว้นิตถาค ต, า ไ, ต, า ไ, ต, าคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ สี่นจริยวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมานิจริยวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 5. ้านิตถาคตทรงบัญญัติไว้นิตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 6. นี้อาบัตนีิอนาบัตเจ็ดนอาบัตเบานิอาบัตหนัก 8. ปดนิอาบัตมีส่วนเหลือนี้อาบัตไม่มีส่วนเหลือเก้านอาบัตชั่วหยาบนี้อาบัตไม่ชั่วยาบ กุศลมูลสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทธาธิกรกุศลมูลสามกุศลมูลสามเป็นมูลแห่งวิวาทธาธิกรเป็นไนพิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุทั้งหลายมีจิตไม่โลภวิวาทกันมีจิตไม่โกรธวิวาทกันมีจิตไม่หลงวิวาทกันว่าหนึ่งนิธรรมนิธรรมละถึงเก้นิอาบัตชัวยา นีิอาบัตไม่ชั่วหยาบกุศลละโมณสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรโมูลแห่งอนุวาทาธิกรอะไรเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรอนุวาทะโมณหกเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรอกุศลละโมทั้งสามเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรกุศลมูลทั้งสามเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรแม้กายก็เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกร แม้ว่าจากก็เป็นมูลแห่งอนุวาธาธิกอนอนุวาธมูลหกมูลแห่งการโจดหกอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาธาธิกอนเป็นชไหนพิกษุทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้พิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้พิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระาศาสดา ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทําศึกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงใ i i. พนพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่ม <Mario> ีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทําศึกขาให้บริบูรณนั้นย่อมยังการโจรกันให้เกิดในสง์ การโจทย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลแห่งการโจทย์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลแห่งการโจทย์ที่เป็นบาภายในหรือภายนอกนั้นแหล ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลแห่งการโจ์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจท์ที่เป็นบาปนั้นแหลการละมูลเหตุแห่งการโจท์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจท์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่านละถึง เป็นผู้มีปกติริษยาตรณีเป็นผู้อวดดีเจ้ามายาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฐิของตนมีความถือรัน้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษ<ฏ>ุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฐิของตนมีความถือรัน้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระาศาสดา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 ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นหมูลแห่งการโจ์เชน่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งหมูลเหตุการละมูลแห่งการโจท์ที่เป็นบาปนั่นแลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจ์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้มูลแห่งการโจ์กันหกอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุว า, าทาธิกร อากุศลมูลสาอากุศลลมูลสามอย่างเป็นมูลแห่งอนุว า, าทาธิกรเป็นไงภิษุททั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมมีจิตโลภโจทย่อมมีจิตโกรธโจทย่อมมีจิตหลงโจทพิสุทธิด้วยศีลวิปัติอาจาระวิปัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิปัติอกุศลลมูลสามอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุว า, าทาธิกร กุศลมูลสกุศลมูลสามอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรเป็นไนภิกสุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกสุทั้งหลายย่อมมีจิตไม่โลภโจทย่อมมีจิตไม่โกรธโจทย่อมมีจิตไม่หลงโจรด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติกุศลลมูลสามอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกอ กายอนหนึ่งกายเป็นมูลแห่งอนุวาธาธิกรเป็นไฉไนในกรณีนี้ภิกษุบางรูปเป็นผู้มีผิวพรรณน่ารังเกียจไม่น่าดูมีรูปร่างเล็กมีอาพาธมากเป็นคนบอดง่อยกระจอกหรืออมพ า, าธภิกษุทั้งหลายย่อมจวภิกษุนั้นด้วยกายใดกายนี้เป็นมมลแห่งอนุวาธาธิกรวาจาอนหนึ่ง วาจาเป็นมูลแห่งอนุว า, าทิกรเป็นไนในกรณีนี้ภิกษุบางรูปเป็นคนพูดไม่ดีพูดไม่ชัดพูดระรานภิกษุทั้งหลายย่อมโจทย์ภิกษุนั้นด้วยวาจาใดวาจานี้เป็นมูลแห่งอนุว า, าทิกรโมลแห่งอาปัตตาธิกรอะไรเป็นมูลแห่งอาปัตตาทิคกรสมุทฐานแห่งอาบัตหกอย่างเป็นมูลแห่งอาปัตตาทิคกรคือ 1. อาบัตเกิดทางกายไม่ใช่ทางวาจาไม่ใช่ทางจิตก็มีสองอาบัตเกิดทางวาจาไม่ใช่ทางกายไม่ใช่ทางจิตก็มีสอาบัตเกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่ทางจิตก็มี 4. อาบัตเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่ทางวาจาก็มี 5. อาบัตเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่ทางกายก็มี 6. อาบัตเกิดทางกายวาจากับจิตก็มี สมุทฐานแห่งอาบัตหกอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอาปตาทิกรโมลแห่งกิจจาทิกรอะไรเป็นมูลแห่งกิจจาทิกรสงเป็นมูลเดียวแห่งกิจจาทิกรวิวาธาทิกรเป็นกุศลอักุศลหรืออพยากลิวิวาธาทิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอพยากลิก็มีบรรดาวิวาธาทิกรนั้น วิวาทาธิกกรเป็นกุศลเป็นเชไนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตเป็นกุศลวิวาทกันว่าหนึ่งนิธรรมนิอธรรมละถึงเก้ 9, นิอาบาดชั่วหยาบนิอาบาดไม่ชั่วหยาบความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลั่กลุ่มใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าวิวาทาทิกรเป็นกุศลบรรดาวิวาทาทิกรนั้นวิวาทาทิกรเป็นอกุศลเป็นชไหนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตเป็นอกุศลวิวาทกันว่าหนึ่งนิธรรมนิธรรมละถึงเก้ 9, นิอาบัดชั่วอยากนิอาบัดไม่ชั่วอยาบความบาดหมางความทะเลาะ ความแก่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดวยประการอื่นการพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจความหมายมั่นในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าวิวา ท, าทิกรเป็นอกุศลบรรดาวิวา ท, าทิกรนั้นวิวาทาทิกรเป็นอพยกตเป็นไฉนะภิกษุททั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตเป็นอพยกตวิวาทกันว่า 1. น่นิธรรมนิอธรรมละถึง 9. ก้นิอาบัติชั่วหยาบนิอาบัติไม่ชั่วหยาบความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดวยประการอื่นการพูดเพื่อความกลัดกลุ่มใจความหมายมั่นในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าวิวาธาทิกรเป็นอภยยากรนุวาธาธิกรเป็นกุศลอกศุศลหรืออัพยากร อนุวาทาทิกรเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอพยากลิตก็มีบรรดาอนุวาทาทิกรนนั้นอนุวาทาทิกรที่เป็นกุศลเป็นไนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตเป็นกุศลย่อมโจทย์กิุด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติการโจทย์การกล่าวหาการฟ้องร้อง การประท้วงความเป็นผู้คล้อยตามการทำความอุสาหะโจ์การตามเพิ่มกำลังให้ในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรนเป็นกุศลบรรดาอนุวาทาธิกรนนั้นอนุวาทาธิกรที่เป็นอกุศลเป็นชไหนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตเป็นอกุศลย่อมโจ์ภิกษุ ด, ด้วยศีลวิบัสิอาจารวิบัติ ทิชิวิบัตหรืออาชีววิบัตการโจดการกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความเป็นผู้คล้อยตามการทำความอุตสาหาโจดการตามเพิ่มกำลังให้ในเรื่องนั้นใดนี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรเป็นอปุศลบรรดาอนุวาทาธิกรนั้นอนุวาทาธิกรที่เป็นอัพญากริตรเป็นฉไนะภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้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 อาปัตตาธิกรเป็นอกุศลหรืออพยกฤิอาปัตตาธิกรเป็นอกุศลก็มีเป็นอพยกฤิก็มีอาปัตตาธิกรเป็นกุศลไม่มีบรรดาอาปัตตาธิฏกอนนั้นอาปัตตาธิกรที่เป็นอกุศลเป็นชนหนภิกษุรู้อยู่เข้าใจอยู่จงใจฝ่าฝืนล่วงละเมิด อ, อาบัตใดนี้เรียกว่าอาปัตตาธิกกอนเป็นอกุศล บรรดาอาปัตตาธิกค น, นั้นอาปัตตาธิกคอนที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนภิกษุไม่รู้ไม่เข้าใจไม่จงใจไม่ฝ่าฝืนล่วงละเมิด อ, อาบัตใดนี้เรียกว่าอาปัตตาธิกคอนเป็นอพยกฤติตกิจจาธิกคอนเป็นกุศลอ ก, กุศลหรืออพยกฤิตกิจจาธิกคอนเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยกฤตก็มีบรรด า, ากิจจาธิกคอนนั้น กิจาทีกรที่เป็นกุศลเป็นฉไนสงมีจิตเป็นกุศลทำกรรมใดคืออัปโลกนกรรมยัตติกกรรมยัติทุติยกรรมยัติจัตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจชาทีกรเป็นกุศลบรรดากิจาที่กรนั้นกิจชาทีกรที่เป็นอกุศลเป็นฉไนสงมีจิตเป็นอกุศลทำกรรมใดคืออัปโลกนกรรมยัตติกกรรมยัติทุติยกรรม ยติจัตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจจาทิกรเป็นอกุศลบรรดากิจจทิกรนั้นกิจจทิกรที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนสงมีจิตเป็นอัพยกฤรทำกรรมใดคืออภโลกนกกรรมยติกกรรมยติทุติยกรรมยติจัตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจจธิกรเป็นอัพยกฤตวิวาทาธิกร วิวาดเป็นวิวาทาธิกรวิวาทไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นวิวาทเป็นอธทิกรด้วยเป็นวิวาทด้วยหรือวิวาทเป็นวิวาทาธิกรก็มีวิวาทไม่เป็นอธทิกรก็มีอธิกรไม่เป็นวิวาทก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นวิวาทด้วยก็มีบรรดาวิวาทนั้นวิวาทที่เป็นวิวาธาธิกรเป็นฉนภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาทกันว่าหนึ่งนิธรรมนิอธรรมละถึง9้นิอาบัติชั่วหยากนิอาบัติไม่ชั่วหยากความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย้งความวิวาทความกล่าวต่างกันความกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลั่กกลุ่มใจความหมายมั่นในเรื่องนั้นใดนี้ชื่อว่าวิวาทเป็นวิวาธาธิกร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 บรรดาวิวาทนั้นอธทิกรไม่เป็นวิวาทเป็นฉไนอนุวาทาธิกรฮาปตตาธิกกรกิจจาธิกรรในชื่อว่าอธทิกกรไม่เป็นวิวาทบรรดาวิวาทนั้นอธทิกรเป็นอธทิกรด้วยเป็นวิวาทด้วยเป็นฉไนวิวาทาธิกรเป็นอธทิกรด้วยเป็นวิวาทด้วยอนุวาทาธิกกรการโจ์เป็นอนุวาทาธิกกร การโจดไม่เป็นอธิกรณ์อธิกรณ์ไม่เป็นการโจดเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจดด้วยหรือการโจดเป็นอนุวาธาธิกรณ์ก็มีการโจดไม่เป็นอธิกรณ์ก็มีอธิกรณ์ไม่เป็นการโจดก็มีเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจดด้วยก็มีบรรดาการโจดนั้นการโจดที่เป็นอนุวาธาธิกรณ์เป็นไฉหนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้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 มารดากล่าวหาบุตรบ้างบุตรกล่าวหามารดาบ้างบิดากล่าวหาบุตรบ้างบุตรกล่าวหาบิดาบ้างพี่ชายกล่าวหาน้องชายบ้างพี่ชายกล่าวหาน้องหญิงบ้างน้องหญิงกล่าวหาพี่ชายบ้างสหายกล่าวหาสหายบ้างนี้ชื่อว่าการโจ์ไม e ่เป็นาอาธิกรบรรดาอธิกร์นั้นอธิกร์ที่ไม่เป็นการโจ์เป็นฉไนอปตาธิกร กิจอาทิกรวิวาธาธทิกรนี้ชื่อว่าอธทิกรไม่เป็นการโจ์บรรดาอาทิกรนั้นอธทิกรที่เป็นอธทิกรด้วยเป็นการโจ์ด้วยเป็นไฉไหนอนุวาธาธทิกรเป็นอธทิกรด้วยเป็นการโจ์ด้วยอาปัตาาทิกรอาบัตเป็นอาปัตตาทิกรอาบัตไม่เป็นอธทิกรอาทิกรไม่เป็นอบัต เป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยอาบัตเป็นอาบัตตาทิกรก็มีอาบัตไม่เป็นอาิกรก็มีอาิกรไม่เป็นอาบัตก็มีเป็นอาิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยก็มีบรรดาอาิกรนั้นอาบัตเป็นอาบัตตาทิกรเป็นฉไนอาบัตห5กองเป็นอาบัตตาทิกรบ้างอาบัตเจกองเป็นอาบัตตาทิกรบ้าง นี้ชื่อว่าอาบัตเป็นอาบัตตาธิกรบรรดาอาบัตนั้นอาบัตที่ไม่เป็นอธิกรเป็นชไหนโซดาบัตสมาบัตนี้ชื่อว่าอาบัตไม่เป็นอธิกรบรรดาอาทิกรนั้นอธทิกรที่ไม่เป็นอาบัตเป็นชไหนกิจจาธิกรวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรนี้ชื่อว่าอธิกรไม่เป็นอาบัต บรดาอธิกรนั้นอธิกรที่เป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยเป็นชไหนอาปตตาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยกิจเป็นกิจจาธิกรกิจไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นกิจเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยหรือกิจเป็นกิจจาธิกรก็มีกิจไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นกิจก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยก็มี บรรดาอธิกรนั้นกิจเป็นกิจจาธิกรเป็นฉไฉนความเป็นหน้าที่ความเป็นกรณีแห่งสงใดคืออัปโลกณกกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุทักรรมน้ชื่อว่ากิจเป็นกิจจาธิกรบรรดาอธิกรนั้นกิจไม่เป็นอธิกรเป็นฉไฉนกิจที่จะต้องทำแก่พระอาจารย์กิจที่จะต้องทำแก่พระอุปชา กิจที่จะต้องทําแก่ภิกษุผู้เสมออุปชากิจที่จะต้องทําแก่ภิกษุผู้เสมอพระอาจารย์นี้ชื่อว่ากิจไม่เป็นอธิกรบรรดาอธิกรนั้นอธิกรไม่เป็นกิจเป็นชไหนวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรนี้ชื่อว่าอธิกรไม่เป็นกิจบรรดาอธิกรนั้นอธิกรที่เป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยเป็นชไหน กิจจาทกรเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยอธิกรณะจบ 9. อธิกรณะวุปัสมาณะสมถะว่าด้วยการระ ง, งับอธิกรจามุขาวินาัน วิวาทาิกรระ ง, งับด้วยสมถะสองอย่างวิวาทาิกรย่อมระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรวิวาทาธิกรย่อมระ ง, งับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสัมมุขาวินัย 2. เยผุยศิกาบางทีวิวาทาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือเยผูยศสกาพึงระ ง, งับด้วยสมถะอย่างเดียวคือสัมมุขาวินัย บางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาทกันว่าหนึ่ง น, นิธรรมนิอธรรมสองนิวิไนนิไม่ใช่วินยสย 3. นิตถาคตพาสิทธไวตรัสไวน้ตถาคดไม่ได้พาสิทธไวไม่ได้ตรัสไวสี่นิจริยวัรที่ตถาคตได้ประพฤติมา นิจริยวัตที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 5. ้านิตถาคตทรงบัญญัติไว้นิตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 6. นี้อาบัตนีิอนาบัตเจ็ดนอาบัตเบานี้อาบัตหนัก 8. นี้ิอาบัตมีส่วนเหลือนีิอาบัตไม่มีส่วนเหลือเก้านอาบัตชั่วหยาบนี้อาบัตไม่ชั่วหยาบภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพวกนั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ เรียกว่าอาธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสามุขาวินยัยในสามุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสง <ắng. S 1> ความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าสงในสามุขาวินัยนั้นอย่างไรภิษุผู้เข้ารกรรมมีจำนวนเท่าไหร่ภิษุเหล่านั้นมาประชุมกัน นำฉันทะของผู้คนฉันทะมาผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านน้ชื่อว่าความพร้อมหน้าสงในสัมมุขวนินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมมุขวินัยนั้นอย่างไรอธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุสาสตร์ใดน้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมมุขวินัยนั้น อนนความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไรโจท์และจำเลยทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสมมุขาวินัยนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรระ ง, งับอย่างนี้ผู้ทํารื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียนภิกษุทั้งหลาย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 ในสมุขาวิไนนั้นอย่างไรอธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรมโดยวินัยและโดยสตุสาสตร์ใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสมุขาวิไนนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสมุขาวิไนนั้นอย่างไรโจท์และจำเลยทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสมุขาวิไนนั้น ภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตติที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตติที่ติเตียนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นกันมาไปสู่อาวาสนั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้นในระหว่างทางได้พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแล้วพื่งกล่าวกับภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาสว่าท่านทั้งหลายอาธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้ บัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาสท่านทั้งหลายจงระ ง, งับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้จะระ ง, งับด้วยดีภิกษุทั้งหลายถ้าพวกพิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสเป็นพวกแก่พรนสากว่าพวกพิษุอคันตุกะอ่อนพันสากว่าพวกเธอเพึงกล่าวกับพิกษุอคันตุกะว่าท่านทั้งหลายขอนิ้มนท่านทั้งหลายจงรวมอยู่หน้าที่สมควรสักครู่หนึ่ง ตลอดเวลาที่พวกผมจะปรึกษากันแต่ถ้าพวกภิกษุที่อยู่ประจำในอาวาดเป็นผู้อ่อนกว่าผู้ภิกษุอคันตุกะแก่กว่าพวกเธอเพึงกล่าวกับภิกษุอคันตุกะว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงอยู่ณที่นี้สักครู่หนึ่ง <chords S 1> จนกว่าพวกผมจะปรึกษากันภิกษุทั้งหลายถ้าพวกภิกษุที่อยู่ประจาในอาวะกาลังปรึกษาคิดกันอย่างนี้ว่า พวกเราไม่สามารถระ ง, งับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์พวกเธอไม่พึงรับอธิกรณ์นั้นไว้แต่ถ้ากำลังปรึกษาคิดกันอย่างนี้ว่าพวกเราสามารถระ ง, งับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์พวกเธอเพึงกล่าวกับพวกภิกษุขอคันตุกะว่าท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านจากแจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้วตามที่อุบัติแล้วแก่พวกเรา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 พวกเราจะไม่รับอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วรับอธิกรณ์นั้นไว้พวกภิกษุอาคันตุกะนั้นพึงกล่าวกับพวกภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสว่าพวกผมจากแจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้วตามที่อุบัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายสามารถระ ง, งับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์ ระหว่างเวลาเท่านี้ได้อธิกรณ์จะระงับด้วยดีเช่นว่านั้นอย่างนี้พวกผมจะมอบอธิกรณ์แก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์ระหว่างเวลาเท่านี้ได้อธิกรณ์จะไม่ระงับด้วยดีเช่นว่านั้นพวกผมจะไม่มอบอธิกรณ์นี้แก่ท่านทั้งหลายพวกผมนี่แหละจกเป็นเจ้าของอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ภิกษุอคันตุกะพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วจึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่ผู้ภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาสภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้นี้เรียกว่าอาธิกรณ์ระงับดีแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสา ม, มุขาวินยัยในส ม, มุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสมความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัย